ไปทำอะไรมาเวลาจิตมันไปติดตสภาวะอะไรนะอย่าไปตกใจรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ใช่ว่าต้องใสปิ้งนะที่มันมองไปแล้วเรากางังวลยิ่งกงังวลยิ่งดิ้นยิ่งไม่หายมันมองรู้ว่หมองอยากให้มันสว่างขึ้นมารู้ว่าอยากรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้นีก็ดีของมันเอง แจออกนอกรู้สึกตัวได้ด่อยๆโอ้วันนี้มีชาวซิกมาเนาะดีจริง <c oughs> ธรรมะเป็นของกลาง <c oughs> เป็นสัจธรรมเป็นความจริง <c oughs> มีมาก่อนสิ่งอื่นคนไหนมีสติมีปัญญานะ่เขาเข้าไปเข้าใจมัน เข้าใจของที่มีอยู่แล้วนี่แหลนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านเป็นผู้ไปค้นพบแลธรรมะ ม, มีอยู่แล้วท่านเข้าไปค้นพบท่านค้นพบก่อนแล้วท่านเอามาบอกต่อนะก็เรียกว่ า, าศาสนาขึ้นมาพวกเราเดินตามการค้นพบของท่านท่านบอกวิธีเดินไว้นะ่ครฝึกนะ ชาวพุทธเรามีบทเรียนนะชาวพุทธจริงๆเป็นนักเรียนแต่ละคนเป็นนักเรียนนะงั้นเราต้องรู้ว่าหน้าที่เราคือเรียนขนาดท้าโสดาบันยังเรียกเสกขบุคคลนะเสกขบุคคลผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่เรากระท่างโสดายังไม่ถึงนะยิ่งต้องเรียนให้มากๆเรียนเรื่องอะไรบทเรียนของพระพุทธเจ้ามีสามบทนะชื่อศีลสิกขา จิตศิกขาแล้วก็ปัญญาศิกขาศิกษาก็คือคําว่าศึกษานั่นเองนักเรียนทั้งหลายก็ต้องเรียนมีศีลนะตั้งใจงดเบ้นการทำบาปทำอาคุณนะทางกายทางวาจาล้นออกมาทางกายทางวาจาตั้งใจไม่ทําชั่วทางกายทางวาจาต้องตั้งใจไว้นะ ต่นนอนมาก็ตั้งใจไว้วันนี้จะไม่ทําชั่วทางกายทางวาจากลางวันจะกินข้าวตั้งใจจะไม่ทําชั่วทางกายทางวาจาทําง่ายมากเลยยกตัวอย่างนะเราเห็นจะไปซื้ออาหารกินเห็นคนหนึ่งมาอยู่ข้างหลังเรานะถ้าทางมันจ้องสงมติว่ามันอยากกินไข่พะโละเหลือลูกสุดท้ายเราก็ไม่ชอบนะแต่มันไส้มันไปซื้อสะกก่อนอะไรเงี้ยนะ <c oughs> นะอกุศลมันเกิดง่าย <c oughs> ครูสอนะถ้ามีสติมีปัญญาก็เกิดง่ายนะเห็นท่าทางอยากได้ให้เข้าไปเลยให้ลดละความเห็นแก่ตัวลงก่อนจะกินข้าวของวันก็ตั้งใจเราจะไม่ทําชั่วทางกายทางวาจานะก่อนจะนอนก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ทําชั่วทางกายทางวาจาตั้งใจไว้ก่อนเผื่อว่าไม่มีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาอีกแล้วนะ นอนไปอาจจะตายเลยก็ได้เอาแน่ไม่ได้อย่างน้อยมีศีลไว้ก่อนตั้งใจงดเว้นการทำบาปทำชั่วทางกายทางวาจาถัดจากนั้นฝึกจิตเพื่ออะไรเพื่อข่มบาปชั่วทางใจนะทำให้ใจดีเรียนเรื่องจิตนะหรือฝึกสมาธินี่แหละก็เพื่อให้เกิดความดีทางใจนะ มีศีลก็เพื่อให้เกิดความดีทางกายทางวาจาละเว้นความชั่วทางกายทางวาจามีสมาธิละละความชั่วทางใจแล้วทำให้เกิดความดีทางใจสิ่งที่ทาให้ใจชั่วเรียกว่านิวรณ์ใจที่ผูกพันอยู่ในแต่ความสุขความเพลิดเพลินสนุกสนานในการดูในการฟังในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการกระทบสัมผัสทางกาย เรียกว่ากามทั้งหมดเลยการมาชันทะความพอใจในกามพอใจในรูปเสยยียงกลิ่นรสสัมผัสพอใจอย่างรุนแรงนะขาดไม่ได้เสพติดเสพติดในกามจิตก็ไหลไปในกามเช่นชอบดูผู้หญิงสวยๆนะเห็นผู้หญิงสวยๆมานะใจก็จะวิ่งไปอยู่ที่ผู้หญิงสวยๆนะั้นใจไม่อยู่ที่ตัวเองลืมตัวเองล้เรียกว่าขาดสมาธิแล้ว ความชั่วทางใจก็เรียกว่าพยาบาทอีกอันหนึ่งคือพยาบาทเราขัดเคืองเราไม่พอใจสิ่งใดนะใจเราชอบไหลไปที่สิ่งนั้นรู้สึกไหมโกรธใครใจก็จะไปอยู่ที่คนนั้นอะใจไม่อยู่ที่ตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกัตัวเรียกว่าไม่มีสมาธิงั้นกามนะก็มาดึงให้ใจเราลืมตัวเองเคลื่อนไปสนใจของข้างนอกพยาบาทก็มาดึงให้เราสนใจของข้างนอก นะความฟุ้งซ่านก็มาดึงให้เราสนใจแต่ของข้างนอกความลังเลสงสัยก็ดึงให้ฟุ้งซ่านไปอีกให้คิดหาคําตอบใหญ่หรือเที่ยววิ่งถามครูบาอาจารย์โน้ น, นถามครูบาอาจารย์นะี้ความหดหูใจนะก็ทําให้ใจไม่ตั้งมัน่นไม่มีเรี่ยวมีแรงรู้สึกไหมเวลาหดหูใครเคยหดหูบ้างมีไหมรู้สึกไหมเวลาหดหูไม่มีแรงใจปั๊บแปรป๊บแปรไม่มีแรงไม่มีสมาธิไหย งันนิวรนนี่แหละเป็นศัตรูของสมารถ ท, นะทำไงเราจะชนะนิวร์ได้มี2วิธีวิธีที่หนึ่งทำฌานถ้าได้ปฐมฌานนั้นก็จะทําลายนิวรนห้าตัวได้หมดเลยนะปฐมฌานมีองค์5นะมีวิตกวิจารปีตรสุเอกาตาแต่และตัวแต่และตัวก็จะมีความเด่นในการทําลายนิวร์เป็นคู่คู่ไปนะเป็นตัวตัวไปแต่ถ้าเราทําฌานไม่ได้ ก็อย่าน้อยอกน้อยใจคนรุ่นเราเนี่ยทาฌานไม่ค่อยได้อย่าว่าแต่รุ่นเราเลยคนสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่ก็ทําฌานไม่ได้นะคนที่บรรลุพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่ก็คือคนแบบพวกเหล่านี้แหละนะไม่ได้พวกเข้าฌานนะอันนี้ไม่ได้พูดเองเป็นสถิติที่พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้นะท่านเคยบอกว่าในภิกษุห้ารูปที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมีภิกษุที่ได้วิชาสามนะ รู้การจุติอุบัติของสัตว์ร ะ, ะละรึกชาติได้ละล้างกิเลสได้ได้วิชา3มมี60องคนะ์จาก500มี60ที่ได้วิชา3าวิชาสมเนี่ยต้องอาศัยสมาธินะใส่ฌานอีก60องค์ได้อภิญญาหกอภินญาหกนะเนี่ยต้องได้ฌานะอภิญญาหนึ่งสอาี่ห้า ต้องเล่นชานถึงจะได้อนะภิญญาที่6เนี่ย mm hmm. เราราวนาไปเรื่อยๆดูรูปดูนามไปมันก็ได้อยูนะ่แล้วมีอีก60องนะ mm hmm. เป็นอุปโตภาควิมุตตนะ์ได้ทั้งวิชาได้ทั้งสมาธิทั้งปัญญานะงั้นรวมแล้วร8 0เท่านั้นนะที่ท่านทรงชานจริงมีร8 0ยนอกนั้น 300, 320สุขวิปัสสกะ นะพวกเดินปัญญาอย่างนี้แหละอย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ต้องทำพราะเราเข้าชานไม่ไดนะ้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทำสมาธินะเข้าชานไม่ได้ก็ไม่ทิ้งสมาธิสมาธิก็ทิ้งไม่ได้นะต้องฝึกทุกวันแบ่งเวลาไวนะ้พุโทโธไปหายใจไปฝึกทุกวันทุกวันนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปนะจิตไหลไปเรารู้ทันไหลไปเรารู้ทันฝึกอย่างนี้ยนะได้สมาธิเหมือนกันแต่สมาธิอ่อนหน่อยนะเรียกว่าคณิกะสมาธิ หลวงพ่อไปอ่านประวัติหลวงปู่มั่นนะท่านจาจาร์มหาบัวเขียนประมาณหน้าเจ็ดสิบหรือเจนะ็ดเจดนเราเรนียจำหน้าไม่ได้แล้วท่านเขียนไว้บอกหลวงปู่มั่นเนี่ยสอนโยมเนจะสอนเรื่องทานศีลภาวนาพอถึงท่านภาวนานะให้พุโทโธให้หายใจเรารู้ทันจิตเอานะรู้ทันจิตเพราะ้จิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารฝึกอย่างนี้ด้วยในีสุดจิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะ ใจิตใจตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวครนี้มาถึงบทเรียนที่3ชื่อว่าปัญญาสิกขาการเรียนให้เกิดปัญญาปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้เรื่องอื่นนะปัญญาเป็นความเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือรูปธรรมและนามาทำทั้งหลายงั้นปัญญาเนี่ยคือรู้ลงมาในขันห้าในรูปธรรมนำมาทำนิ่งรู้ว่าเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์นะอย่างที่พูดเมื่อเช้านิ่งงั้นพอใจเราอยู่กันเนื้อกับตัวใจเราตั้งมั่นแล้วเนี่ย ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทางานไปเรื่อยอย่าอยู่เฉยอย่าขี้เกียจที้คล้งส่วนใหญ่พอได้สมาธิจิตสงบจิตสบายแล้วพอใจแล้วนะก็รู้สึกสบายไม่พอนะสมาธิมันทําให้จิตสงบจิตที่ฟุ้งซ่านมันสงบจิตที่ไม่ดีก็เกิดดีขึ้นมาเช่นมีราคานะนัเราก็เจริญสมถกรรมฐานด้วยวิธีเจริญอสุภนะพิจาณาอาสุภะ จิตก็พ้นจากราคะจิตก็สงบจิตก็ดีจิตก็สุขมีโทสะแลนะก็ไปเจริญเมตตาเนะจริญเมตตามากๆโทสะหายไปจิตก็สุขจิตก็สงบจิตก็ดีขึ้นมานะนี่สมรรถนะทําจิตให้สุขให้สงบให้ดีสุขได้ก็ยังทุกข์ได้สงบได้ก็ยังฟุ้งได้ดีได้ก็ยังชั่วได้ยังกลับกรอกอยู่กนะะเป็นของแปรปรวนอยู่นั้นเราต้องมาเดินปัญญา จิตใจอยู่กันเด็กกับตัวแล้วนะคอยรู้สึกกายคอารู้สึกใจดูกายทํางานดูใจทํางานทําตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูทําตัวเป็นแค่คนดูนะดูมันทํางานไปเรื่อยๆถึงวันนึงจะเห็นความจริงในงร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรารเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลมันทํางานไปนจิตใจก็ไม่มีความคงที่เกิดดับตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจนี่มีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลา ดูให้เห็นของจริงนะแต่ดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตไหลไปอย่างเวลาเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นในใจเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจจิตไปมองความโกรธแล้วไหลตามความโกรธไปเลื่อนเลื่อนเื่อนไปอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นหลงตามอารมณ์ไปใช้ไม่ได้นะจิตต้องตั้งมั่นนะอยู่กับเนื้อกับตัวใครช่วยอานกวิตไปไปล่อยหนะ่อย <c oughs> ให้เด็กมานั่งฟังแล้วมันกรุ่มใจน่าสงสาร ว่าจะทำสนามเด็กเล่นนะก็มีคนคาดนะบข้างนอกแดดมันแรงเล่นไปเดียวป่วยหรือเดี๋ยวไปตกน้ำตกท่าลำบากต่อไปส่งกันบ้านเฉิอปรุงเยอะครับแล้วก็เป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างครับจิตถึงฐานไหมขณะนี้จิตถึงฐานไหมไม่ค่อยถึงครับไม่ถึงนะไถึงก็รู้เอา พุทโธแล้วพอใช่ไหมครับพุทโธพอพุทโธแล้วรู้ทันจิตนะพุทโธแบบนกแก้วนกขุนทองไม่พอแต่พุทโธแล้วรู้ทันจิตถึงจะพอพุทโธก็คือจิตนั่นเองแล้วจิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราท่องพุทโธพุทโธเพื่อเตือนตนเองให้นึกถึงจิตไหมพุทโธพุทโธนะจิตนี้ไปคิดมันลืมจิตแล้วเราก็รู้ทันว่าลืมไปแล้วจะกลับมารู้สึกตัวแต่ไม่ใช่พุทโธแล้วทําเหมือนตอนนี้นะแรงไป จะแข็งพุโทโธแล้วอึอดอัดล้พุทโธล้อึดอัดเนี่ยแสดงบังคับมากไปต้องพุโทโธแล้วสบายนี่อย่างหลวงพ่อจะพุโทโธให้ดูพุโทโธพุโทโธพุทโธจิตไม่เปลี่ยนเห็นไหมไม่ใช่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ได้นะ อ, ะอะชอบนักเถอะนะเรื่องภาวนาแล้วให้ซึมเนี่ยเราคิดว่าซึมกับสงบเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะ ความสงบของสมาธิเนี่ยนะไม่ใช่สงบซื่อเซๆนะไม่ใช่ซื่อบื้อนะมันสงบแนละ้วมันรู้มันตื่นมันเบิกบานในขณะเดียวกันนะสงบสบายมีความสุขแอสตันจิตหนีไปไหนหลวงพ่อครับ ผมเป็นคนคนที่เป็ น, ค, นความคิดเยอะมากเลยครับอ๋อเป็นคนส่วนใหญ่ก็จะคิดเรื่องงานเรื่องอะไรตลอดเวก็ดีนี่มีหน้าที่คิดเรื่องงานต้องคิดขอคำแน่นำหลวงพอ่อหน่ไปคิดเรื่องงานนะั้นถูกแล้วนะแต่พอคิดเรื่องงานไปแล้วกิเลสเกิดนะให้รู้ทันใจตัวเองเราเป็นวัยทํางานนะเราต้องทํางานเวลาที่เราทํางานแล้อ ง, งานของเราใช้ความคิดเนี่ยเราจะมารู้กายรู้ใจไม่ได้จิตต้องไปรู้เรื่องที่คิดซะแล้วนะ แต่ถ้าเราทํางานไปแล้วเกิดขี้เกียจรูนะร้ว่าขี้เกียจทํางานแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อทำแล้วไม่ได้อย่างที่อยากนะโมโหขึ้นมารูว้ว่าโมโหนะทำแล้วดีคนยกย่องใจพองขึ้นมารู้ว่าใจพองขึ้นมานะเวลาที่ไม่ได้ทํางานนะเวลากินข้าวเวลาเข้าห้องน้ําเวลานั่งรถอนะไรเงีนะ้ยไม่ได้ทํางานเวลานี้เจริญสติเอาหลวงพ่อเคยอ่านงานวิจัยอันนึงนะรู้สึกจะของนี้ด้าแต่นานมากแล เขาบอกว่าพวกบิสเนสแมนที่ว่างานเยอะงานเยอะนะ ว, นนวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาคิดเรื่องงานประมาณสี่ชั่วโมงเท่านั้นเวลาที่เหลื อ, อไว้ฟุ้งซ่านนั้นถ้าเราเก็บเวลาเล็กเวลาน้อยนะมีสติได้เยอะเลยหลวงพ่อภาวนามาในช่วงอย่างทำงานนะเป็นโยมทำงานหนักทั้งวันเลยงานเครียดมากเลยอยู่สภาความมันม่นคงงานเครียด อย่างถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะตอนนี้ไม่ได้หลับได้นอนแล้วก็มีออปเปอเรชันรูมอยู่งันะ้นแหละงานหนัหนกๆอย่างนั้นเราขนาดที่คิดเรื่องงานเนี่ยเราจเจริญสติไม่ได้แต่เวลาที่เหลือเนี่ยเล็กๆน้อยๆ น, นะเดินไปห้องน้ําก็ดูกายดูใจใช่ไจะกินข้าวก็ดูกายดูใจแต่ประเภทประชุมไปกินข้าวไปนี่นะ่าเบื่อที่สุดเลยอ้านะครับแล้วเออขออีกนิดนึงครับคือผม เออผมฝึกแบบใช้ดูลมหายใจเอาได้ไเราเราดูเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมเราก็ต้องดูหดูลมหายใจถ้าเราใช้ลมหายใจเป็นฐานเนี่ยเราดูลมหายใจทั้งวันเลยยกเว้นสองอัน<ช>ยกเว้นตอนที่ทํางานที่ต้องคิดกับตอนที่นอนหลับมีเว้นให้นะใจดีเห็นไหมอนอกจากนั้นต้องดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกนี้นะอ่ะว่าไป นมาส ก, การหลวงพ่อค่ะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิระหว่างที่เดินแล้วก็นั่งก็รู้สึกว่าตัวเองคือคิดตลอดอะคะ่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ปล่อยให้คิดยาวนะคะคิดแล้วก็เราก็รู้พยายามรู้ตามมันอแต่พอเริ่มตกเย็นนะคะคือดิฉันไม่เคยนอนคนเดียวนะคะแล้วก็เลยก็เลยเกิดความรู้สึกว่าจะนอนได้หรือเปล่าแล้วก็เหมือน ไม่ได้ก็ เ, เป็นไปเลยก็เดินจงกรมทั้งคืนเลยสบายแล้วก็รู้สึกว่าพอยิ่งยิ่งดึกอนะคะก็จะเหมือนใจมันกังวลมากแล้วมันอึดอัดนะคะอยู่กุดไหนอะอยู่กดสี่ค่ะมีทุกแกไหมไม่มีแต่ได้ยินเสียงค่ะกลัวไหมกลัวค่ะกลัวแล้วทําทไงอะก็รู้ทันค่ะเออก็แค่นั้นแหละทุกแกไม่กัดดอกเกิดออีก ก็ใช้ดูลมหายใจอะค่ะของของหนูนี่ดูลมหายใจได้ไหมคะก็ดูไปสินะดูได้ก็ดูไปแต่ดูลมหายใจแล้วรู้ทันใจนะเราเป็นคนช่างคิดไม่ใช่ดูลมหายใจแล้วซึมซึมไปนะไม่ใช่กลัวผีขึ้นมากลัวตุ๊กแกขึ้นมาก็ดูแต่ลมหายใจแล้วให้นิ่งๆแค่นั้นไม่ดีดูลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปพอใจแวบไปหาตุ๊กแกรู้ว่าใจหลงไปแล้วใจไปคิดเรื่องผี เราก็กลัวใช่ไหมกลัวขึ้นมาเราก็รู้ทันกลัวไหมกลัวค่ะกลัวตองกลางวันเรื่องคืนกลางคืนค่ะกลางวันผีสูญพันไปไหนอ่ะกลางวันก็มีผีนะทําไมเราไม่กลัวเพราะมันสว่างเใช่ไหมนั่นเรากลัวเพราะมันมืดหรอกเรากลัวความมืดอ่ะไม่ได้กลัวผีจริงหรอกอ่ะขอบคุณค่ะแต่เมื่อก่อนหลวงพ่อก็กลัวนะช่วงนี้รู้สึกฟุ้งซ่านมากนะครับ ที่ผ่านมานี่คือเหมือนจะห่างวัดไปนานพอสมควรทีนี้ก็เลยเหมือนกับดูอะไรไม่ได้เลยอก็รู้สึกที่พอรู้ได้ก็เป็นแค่อิรดียบทอย่างเดียวรู้อิเดียบทก็พอละนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูต้องมีใจเป็นคนดูนะแต่เหมือนไม่ไม่เกิดปัญญาเล ย, เลยไม่เกิดเพราะว่าไม่มีใจเป็นคนดูมันเป็นแค่รู้สึกรู้สึกที่ยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวอ ย, อยู่นี่ใจมันถลำลงไปรู้ ใจมไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูถ้าใจตั้งมั่นเป็นคนดูจะเกิดปัญญาจะเห็นร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวหยืนเดินนั่งนอนนั้นไม่ใช่เราอ่ะเห็นเลยเห็นทันทีเลยแสดงว่าต้องต้องทําใจใตั้งมั่นอนี้ใช่ใจไม่ตั้งมั่นพอแล้วทํำยังไงฮะให้รู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นหัดพุทโธไปพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดแล้วรู้พุทโธพุทโธใจหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆ อ, อ่ะต่อไปคุณตาย ก็เมื่อวานใจมันหนักๆนะคะเวลาคิดเรื่องงานแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นประจ อ, อ, อวันนี้เหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่เวลาพอไปคิดเรื่องงานก็จะเหมือนเดิมค่ะมันจะจมลงไปแล้วก็หนักๆเป็นทุกข์เยอะก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็ยังไม่มีสม <ทำ S 1> าธินะน่าฤดูอย่างนี้นะธุรกิจเสียหาย <c oughs> น่า<อ>ทุกข์ใจรอว่าเมื่อไหร่ตกงานคงจะพาวนาดีขึ้นอยากรับพรไหม ทำงานไปก่อนเนาะ <c oughs> คือคือเราอย่าไปนึกว่าใจเศร้าหมองแล้วภาวนามไม่ได้นะเศร้าหมองรูว้ว่าเศร้ามองแต่ถ้ามันหมองมากมันกังวลมากเนี่ยตายช่วยมันพิจารณาไปเลยว่าจริงๆโลกเป็นอย่างนี้แหละนะโลกไม่เคยสมบูรณ์อย่างที่เราต้องการนะพอใจเรายอมรับความจริงได้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้โลกมันต้องมีปัญหานะใจเราจะอยู่กับมันแบบทุกข์น้อยหน่อยมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมา รู้สึกเวลาทุบเยอะๆเนี่ยเดินจงกรมจะไม่ค่อยไหวต้องนั่งสมาธิอะค่ะ<ด>ในความรู้สึกตายนะคะว่าเออไม่งั้นสติมันมันไม่ไหวเดิน<ร>จงกรมเรถนัดนัด่งเราก็นัง่งหลวงพ่อไม่ถนัดเดินนะตั้งแต่ฝึกทีแรกถนัด<อ>นั่งเนี่ยนั่งเรามีสติเราก็นั่งเนาะแต่และคนไม่เหมือนกันน ะ, ะต่อไปใครจะส่งกันบ้านเชิญยกมือเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเชิญ มนมรดการหลวงพ่อคะอ่ะลูกปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนําสอนทางจีดีมาประมาณ8เดือนนะคะพอประมาณสี่เดือนเนี่ยลูกก็พบกับกิเลส ท, ที่มันพูดได้คือความโลภก็คุยกับมันแล้วก็ชนะมันได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยลูกก็ไม่แน่ใจว่าสติของเราหรือว่าสติตัวจริงของเราเนี้ยเกิดหรือ ย, ยังอะคะดูง่ายๆนะกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วสติรู้ว่ามีกิเลสเนี่ย รู้สบายๆรู้ไม่ได้เจตนาจะรู้รู้แล้วใจก็โปร่งโล่งเบาอย่างนี้สติตัวจริงแต่ถ้ารู้แล้วเครียดเครียดเนี่ยไม่ใช่อ่ะรู้แล้วเครียดไหมหรือรู้แล้วสบายเป็นเป็นมีทั้งสองอย่างอะนะมันก็แสดงว่าเกิดบ้างไม่เกิดบ้างหัดบ่อยๆหัดดูความรู้สึกไปนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างอยู่ชั่วคราวอันนี้เห็นไหม อย่างความโกรธก็อยู่ชั่วคราวใช่ไหมความทุกข์ก็ชั่วคราวดูอย่างนี้เรื่อยๆนะดูบ่อยๆไปนะไม่ได้ฝึกให้มันดีวิเศษอะไรหรอกฝึกให้แค่เห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนะแต่ใจเป็นแค่คนดูนะสบายๆตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมใจมันหลงไปเมื่อกี้นี้ทราบไหมเนี่ยแอบไปอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมใจมันไหลได้เคยเห็นไหมใจไหลไปไหลามา เคยสังเกตแต่ว่าไม่ไม่ตลอดค่ะหลวงพ่ อ, อเบอร์แปดสิบมรสการครับออผมมาส่งกันบ้านเมื่อหกเดือนที่แล้วครับสภาวะที่ตอนนี้เปลี่ยนไปจากหกเดือนที่แล้วก็คือว่ามันจะเห็นเห็นความทุกข์มากขึ้นนะฮะแล้วก็เห็นก็คือหลงหลงมากขึ้นเหมือนกั น, นะฮะ ท, ที่เห็นหลงบ่อยขึ้นหลงบ่อยขึ้นออไม่ใช่นานขึ้นแล้วก็เวลาเห็นความ เวลารู้ตัวบางทีก็ทุกมันก็บีบนิดหน่อยครับบีแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตอนตอนเช้าก็ก่อนนอนก็จดบนนั่งสมาธิครับ<ด>วันนี้ด เ, เดี๋ยวจะขอให้ลูกชายส่งปรอายุเท่าไหรนะ่ละเก้าวขวบครับเก้าวขวบมากไปวันนี้ผมเขาแหลมดีฮะว่าไปว่าไงได้ดูจิตบา้างยังอก็ก็นิดหน่อยครับตื่นเต้นไหม ตอนนี้ตืนเต้ น, นไหมโกรธเป็นไหมเคยโกรธไหมเคยเคยอยากได้ไหมโลภเคยครับ เ, ออเคยอิจฉาไหมเคยครับเคยกลัวไหมเคยครับเห็นเด็กยังเป็นเลยนะผู้ใหญ่ที่ว่าดูจิตยากอายเด็กนะแล้วรู้ทันไหมความรู้สึกเวลามันมาก็บางครั้งก็รู้ทันบางครั้งก็ไม่ทันหรอถ้ารู้ทันแล้วมันเป็นยังไงก็จะ ก็จะเห็นว่าอารมณ์ต่างๆนั้นเกิดแล้วมันก็จะดับไปคะโอ้โหตบมือหน่อยสิให้ตบฝ้าอะไรรึไหมได้แกงง่วงเพราะผู้ใหญ่อยากินมากไปดูบ่อยๆนะดูเรื่อยๆดูความรู้สึกของเราเรื่อยๆมีเวลาอีกสปีนะครับ พอ13บแล้วนจะเป็นวัยรุ่นไม่ค่อยดูหรอกโดยธรรมชาติไม่ใไปดูอย่างอื่นแล้วตอนนี้ดูจิตไปก่อนนะสะสมคะแนนไว้หลวงพ่อขออีกนิด น, นึงครับคือก่อนนอนเขาจะนั่งสมาธิครับคือไม่ทราบว่าเขานั่งถูกหรือเปล่าเดีย๋ยให้นั่งให้หลวงพ่อดูใจไหลไปคิดก็รู้ทันนะเวลานั่งสมาธิ ใจไหลไปคิดอีกแล้วล้วก็รู้ทานอีกนะใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเวลานั่งเนี่ยเวลาเห็นสภาวะข้างในใจมันยังเคลื่อนไปดูอยู่นะคุณเข้าใจตัวนี้ใช่ไหมก็คุณจิตถึงฐานอยู่แล้วของลูกเวลานั่งสมาธินี่จิตมันยังเคลื่อนอยู่นะต่ค่อยๆสอนให้เขาหัดสังเกตสภาวะที่จิตมันเคลื่อน95บห้าเก่งชะมัดเลยบ้านเนี้ยเกบห้า อยู่ข้างหลังน้ำพรสการหลวงพ่อครับกระผมขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการภาวนาที่ถูกกับจริตของกระผมด้วยครับของโยมล่ะเป็นคนชนิดไหนเป็นคนคิดมากหรือเป็นคนโลภมากเราวัดใจของเราก่อนเป็นคนคิดมากครับนั่นน่ะสินะถ้าคนคิดมากนะกรรมฐานที่เหมาะกับคนคิดมากก็คือดูจิตตัวเองเวลาที่เราคิดเนี่ยความรู้สึกมันจะเปลี่ยน เช่นคิดเรื่องนี้เป็นสุขคิดเรื่องนี้เป็นทุกขคิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงเพราะฉั้นเวลาคิดเนี่ยไม่ห้ามมันหรอกแต่ว่าพอใจไปคิดนะขั้นแรกเลยถ้าใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดอันนี้ดีที่สุดนะได้เกรด A เลยใจไปคิดรู้ว่าใจไปคิดและได้ A นะถ้าใจไปคิดเราไม่รู้ทันคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกเกิดกุศลอกุศลขึ้นมาแล้วเรารู้ได้เกรด B ยังใช้ได้อยู่นะ เช่นคิดเราคิดเรื่องนี้ไปแล้ว เ, เกิดโลภขึ้นมาเรารู้ทันว่าใจโลภอย่างนี้ก็ใช้ได้นะนี้ถ้าจะให้ได้ A บวกนะจิตมันเป็นยังไงเช่นมันไปคิดเรื่องนี้แล้วมันโลภขึ้นมาเราไม่ชอบนะเราไม่เป็นกลางรู้ทันว่าไม่เป็นกลางนี่ได้ A บวกเลยนะงั้นหัดดูสภาวะเป็นลําดับลําดับไปทีแรกก็แค่รู้นะจิตลงไปคิดแล้วรู้ได้เก่งที่สุดละ แต่ส่วนมากยังไม่รู้ตัวนี้ต้องคิดไปสักพักหนึ่งก่อนเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลแล้วค่อยรู้อย่างนี้ก็ยังพอใช้ได้นะถ้าชํานาญขึ้นแค่จิตไหลไปคิดก็เห็นแล้วนะก็จะไม่มีสุขทุกข์ดีชั่วอะไรขึ้นมาจบตรงนั้นเลยจบตรงที่รู้ทันตอนนี้อยังขณะนี้จิตไหลไปคิดทราบไหมทรนะครับแล้วต่อไปเราก็ค่อยฝึกดูไปจิตเป็นอย่างนี้เรายินดีจิตเป็นอย่างนี้เ ร, น เ, นนเรายินร้ายเราค่อยรู้ทันอีกทีหน่งนะ ในสุดจิตจะรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางยังแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมทราบครับเออเนะี้หัดูอย่างนี้นะร3อยาสามบการรมรการหลวงพ่อโยมต้องยก<ๆ>ใหม่แบบนี้ยกตั้งๆค่ะโยมมาไกล ค, คะ่ะได้ความศรัทธาเจ้าคา่ะโอ้มีศรัทธ า, <ถ> า, ามีวิริยะด้วยเจ้าคา่ะต่อไปเพิ่มสติ นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะ้าฝึกเรื่อยๆแล้วสังเกตใจไปใจเราชอบไหลไปคิดเจ้าค่ะใจไหลไปคิดเรารู้ทันเราจะได้สมาธิเจ้าคนะ่ะอยากจะรบกวนให้หลวงพ่อช่วยแนะนําเจ้าค่ะนี่ไงกําลังแนะอยู่นะยศฝึกรู้สึกตัวบ่อยๆนะเจ้าค่ะใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้แล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลอะไรในใจคอยรู้บ่อยๆหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะ รู้ความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจนะแล้วก็รู้ทันว่าใจเราไหลไปคิดเจ้าค่ะนะถ้าฝึกสองอันนี้ได้เดี๋ยวเดินต่อได้ง่ายเจ้าค่นะแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะคะอยากจะเรียนถามก่อนจะนอนนะเจ้าค่ะโยมจะฝึกยืนเดินนั่งนอนนะเจ้าคะแล้วก็ก่อนเราจะหลับไปเนี่ยคะ่ะโยมก็จะดูกายแล้วก็กายนี่มันจะสงบจะดูที่ ยุบพองได้ไหมเจ้าคะจะาจะหลับไปนะเจ้าคะถูกต้องเจ้าคะถูกต้องแล้วการนมัสการเจ้าค่ะเกิดเราตายไปตอนนั้นแล้วเราก็กุศลอยู่ล้นวนเลยนะดีที่สุดเลยเจ้าค่ะเรียกว่าไม่ประมาทเจ้าค่ะ5้าบเดกราบนมัสการค่ะครบหนึ่งปีแล้วค่ะปีมหาพระจารย์เหรอเราได้อได้ไรบ้างล้วตั้งปีหนึ่งั้งปีเห็นกิเลส่อยไหมบ่อยค่ะนะเห็นเห็นความทุกข์มันน้อยลงยัง เยอะขึ้นค่ะเห็นบ่อยขึ้นใช่ไหมค่ะบ่อยขึ้นเเห็นบ่อยขึ้นอ่ะดีถูกแล้วใจเป็นกลางมากขึ้นไหมก็มีบ้าง่อกลางบ้างไม่คลางบ้างนะค่อยฝึกนะต่อไปมันจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่แรกหันแรกๆรรู้สภาวะนานๆรู้ทีหนึ่งพอฝึกไปเรื่อยๆเราจะรู้สภาวะได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนี่พอรู้สภาวะได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วค่อยสังเกตใจใจมักจะไม่เป็นกลาง พอเรารู้ทันสภาวะไปเรื่อยแล้วรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางบ่อยๆต่อไปใจเป็นกลางนะ <c oughs> สุดท้ายจะรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยจิตใจที่เป็นกลางนะ <c oughs> ตอนนั้นดีมาก <c oughs> ตอนอก่อนจะมานี่ฮะนั่งอ่านหนังสือ <c oughs> อ่านหนังสือที่นี้คือปกติโยมชอบชอบโทรศั พ, ท, พท์คุยโทรศัพท์ทีนี้จิตเขาบอกว่าเสียเวลาโจริง เขาบอกเสียเวลาก็เลยไม่ก็เลอยากอ่านหนังสือมากกว่าค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้หนังสืออะไรล่ะหนังสือบางอย่างก็เสียเวลานะประทีบส่งทำค่ะอ๋อได้ได้อนุญาตไม่ได้พิมพ์มานานแล้วเล่มนี้มันอ่านยากพออ่านเสร็จช่วงเช้าก่อนจะมามาเปิดร้านก็อ่านอ่านเสร็จแล้วก็ช่วงเย็นค่ะ กลับไปทําวัดเย็นก็อ่านแต่นนี้ช่วงที่จะจะคุยโทรศัพท์คือช่วงประมาณเที่ยงทีนี้เขาบอกว่าเสียเวลาก็เลยเอาเอาทําเอกขึ้นมาอ่านจะ้ะอย่าอ่านอย่างเดียวนะอ่านแล้วต้องดูจิตตัวเองด้วยอ่านอย่างเดียวไม่พอนะจะ้ะ<อ>แต่ตอนหลังพออ่านแล้วมันง่วงนอนค่ะ นั่นแหละอ่านมากไปมากไปนะ <No? S 2> ละอากาศมันร้อนยิ่งกินข้าวแล้วอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยนะมันศัตรูกันชัดๆเลยอย่างนง่วงต้องไปอ่านขำขันอะไรพวกนั้นจะ อ, อ่านอย่างเดียวนะอ่านอย่างเดียวไม่พอ <Yeah. S 1> นะต้องดูจิตตนเองด้วย <Yeah. S 1> นะบเบอร์สาสิบห้าไม่มีใครบรรลุธรรมเพราะการอ่านหนังสือนะมีแต่บรรลุธรรมเพราะรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นาม แต่บางคนอ่านหนังสือไปแล้วมันย้อนมาดูรูปนามได้นะนมัส ก, กาลหลวงพ่อค่ะว่ายังไงอยากอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะเรื่องสภาวะนะคะสภาวะวาต้องชี้อะไรล่ะขอยมไม่ค่อยรู้อะไรนะยุไม่ค่อยรู้อะไรอะค่ะดูกายไปดูกายะะอ็ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าดูอย่างนี้ทั้งวันแหละ ทำตัวเป็นแค่คนดูนะดูร่างกายนี้ทำงานไปเหมือนดูคนอื่นเหมือนเราเห็นแม่ชีอื่นทำงานน่ะแล้วแบบของของแม่ชีนี้ดูจิตไม่ได้เหรอคะดูกายไปก่อนดูกายชัดกว่าจิตดูจิตแล้วมันงงดูจิตแล้วงงงงไหมงงเจ้าค่ะนั่นเลสิดูกายไปสิเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องดูจิตนะค่ะ ครูบาอาจารย์ที่ท่านหัดดูกายนะท่านได้ผลดีเนี่ยเยอะกว่าครูบาอาจารย์ที่ดูจิตซะ อ, อีกนะสมัยก่อนอะแต่แต่เวลาไม่ชีดูกายแล้วมันจะมันจะจับอยู่ที่กายอะค่ะมันจะแข็งอ ะ, ค, ะ, ะค่ะเพราะว่าจิตมันไหลลงไปในกายไม่ชีฝึกใหม่น ะ, ะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูดูห่างๆน ะ, ะดูมันดูคนอื่นอะนะอย่าไปเพ่งใส่ร่างกายถนะ้าไปเพ่งร่างกายนะมันจะแข็งแขงขึ้นมาแข็งแล้วมันจะปวดหัวนะคะเออองนั้นไม่เอา นะ<ป>หางานทำไ ป, ไปทำงานไปเรื่อยๆพอเหนื่อยขึ้นมานะมันไม่จงใจดูนะค่ะอยๆรู้สึกทำงานไปของแม่ชีนี่ดูกายใช่ไหมคะดูกลไปน้มัสการ์แล้วคีโมโหไหมขี้โมโหคะ่ะออให้แถมอีกตัวหนึ่งให้ดูโ ม, หมโหเวลาเราทำงานแล้วแม่ชีอื่นไม่ค่อยทำเราโมโหค่ะนะเรารู้ทันว่าโมโหดูอย่างเนี้ย นะแล้วเวลาที่เหลือดูกายไปนะดูจิตดูออกตัวเดียวคือตัวมโมโหร้อยแปดบห้าเพราะมโมโหแกโดดเด่นตัวนี้ทำโมโหเราะเดี๋ยวแม่ชีมโมโหนะร8อยปดสบห้านมสการคะ่ะมาถึงจุดที่ว่าเริ่มงงและวว่าจะทำทำอะไรดูอะไรนี่<า>เป็นจุดอ่อน ของคนที่เรียนเยอะนะความจริงง่ายๆนะเราอย่าลืมหลักพื้นฐานเลยมีความรู้สึกยังไง ร, รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆหัดใหม่ๆพวกเราภาวนาจะรู้สึกง่ายรู้สึกไหมตอนหลังๆนี้ยิ่งเรียนมากๆนะชักงงทํายังไงจะดีทํางไงจะดีใจมันจะค่อยคิดว่าจะทํำยังไงนะเรากลับมารู้สึกตัวสบายๆายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเห็นใจคิดนึกปรุงแต่งแปรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเท่านี้เองแหละไม่ได้มีอะไร นี้บางทีพอพวกเราหัดจนชำนี้ชํานาญมากเราคิดมากกว่าเก่ามันก็เลยซับซ้อนขึ้นไปการปฏิบัติไม่ซับซ้อนนะเรียบง่ายที่สุดเลยนี่บางทีฟังหลวงพ่อแล้วเราตอบคนนี้อย่างนี้ตอบคนนี้เราไปเก็บเอาของหลายคนมาคิดจะมาทําให้หมดเนี้นะเวียนหัวตายเลยจริงๆแต่ละคนใช้กรรมฐานไม่มากหรอกอย่างของโยมนะรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันมีเท่านั้นพอแล้วแล้วหลักเบสิกเลยนะหลักพื้นฐานอนะไร รู้สึกลงปัจจุบันไปอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมก็แค่นี้เองเห็นไหมพอรู้ปุ๊บใจมันเบิกบานขึ้นมานึกออกไหมนี่รู้ลงปัจจุบันนี่ถ้าเราไปคิดมากนะจะงงเพราะเอ๊ะทําไมคนนั้นเขาทาอย่างนี้คนนี้เขาทำอย่างนั้นเลยเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เคยเคยดูจิตธรรมดาเนี่ยแล้วเราก็เห็นแยกส่วนนั่นแหละนั่นแหละดูไปธรรมดาพอกลับมาทําเรื่องกายมันมีความรู้สึกว่ามันมาตรึงอีกแล้วแล้วถ้างั้นก็กลับไปดูจิตต่อ ด, ดูอะไรแล้วแล้ ว, ลวจิตเดินได้ดีก็เอาอันนั้นแหละค่ะแล้วมีปัญหาคือพอมัน ง, งงมากๆไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าขนาดนั้นแล้วพอรู้ก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรเท่านี้มันก็เลยมาตั้งหลักใหม่ว่าจริงงงก็รู้ว่างงไปามาตั้งหลักใหม่ว่าถ้ามันขยับออกไปเนี่ยใจมันขยับมันเคลื่อนไหวออกไปเนี่ยพอเรารู้ตรงนั้นมันก็หยุดทนี้เราก็กลัวอีกว่า รู้แค่นี่นเป็นสมถะหรือเปล่าคือถ้าไปเพ่งให้หยุดนะเป็นสมถะแต่ถ้าใจเราโปร่งร่องเบาเป็นแค่คนดูเห็นมันไหลออกไปเรารู้สึกไหลออกไปเรารู้สึกอันนี้ใช้ได้เห็นไหมจิตมันไหลไปได้เองนะจิตมันไหลไปเองนะี่เราเห็นอนัตตานะมันเป็นเองอะ่ะไม่ได้อยู่ในอำนาจคิดว่าไปสกัดมันคิด<ถ>ว่าคิดว่าการที่เรารู้ว่ามันเริ่มขยับเนี่ยเป็นการไปสกัดมันไม่ให้มันดูง่ายงอย่างนี้ถ้าสกัดเนี่ยใจจะแน่นๆ นะถ้าสกัดนั้ใจจะแน่นแต่ถ้าแค่รู้นั้ใจจะปร่งโล่งเบานะเพราะว่าพอเราไปรู้ขณะนั้นพอมันขยับไอนนิดเรารู้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยไม่มีเพราะมันมันยังปรุงแต่งอะไรไม่ได้แต่แค่นั้นพอละเห็นเกิดดับเกิดดับเราจะรู้ว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่จําเป็นต้องรู้ว่าคืออะไรไม่จําเป็นเลยจําเป็นแค่ว่ามันไม่คงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมมันขยับได้เอง นะดูอย่างนี้นะแต่พอมันขยับพอเราไปเห็นนะ่ถ้าเราไปตรึงไว้เนะี่ยใจมันจะแน่นแต่ถ้าเราไม่ได้ตรึงเราสักว่ารู้ว่าเห็นนะใจมันจะโปล่งขึ้นมาเป็นอย่างที่เหมือนที่หลวงพ่อเทศเมื่อตอนช้าไหมคะว่าเวลา ม, มันใจมันละล้าลลังอยากจรรู้ว่ามันกำลังรู้อะไระเป็นอะไระเหตุจากอะไรทำไมมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะใช่เราก็แค่รู้ทันวว่ามันอยากรู้มันอยากค้นคว้านะ รู้ทันลงปัจจุบันไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเราไปรู้สึกมันอย่างนั้นพับมันก็หยุดเลยมันไม่ใช่เราไปบังคับมันอย่างที่หลวงพ่อว่าให้ดูว่าโยมดูตรงนี้สิถ้าเราบังคับเมื่อไหร่ใจเราจะแน่นขึ้นมา <c oughs> นะดูตัวเนี้ยถ้าแน่นแสดงว่าผิดละเราก็ผ่อนคลายหน่อยอย่าไปดูจ้องแบบรุนแรงคร <Okay. S 1> นะาวที่แล้วมาหลวงพ่อ บ, บอกว่าคือหนูทําธรรมชาติอย่างเนี้ยแล้วหลวงพ่อ บ, บอกว่า เพ่งหนูก็เลยมีความรู้สึกตัวเองว่าตอนตอนนี้ไม่เพ่งมากแล้วหรือฮะว่าสงสัยเราจะเพ่งตลอดเวลาแล้วเราไม่รู้ตัวตอนนี้มันเริ่มคลายออกแล้วคนี่ยดูออกไหมล่ะใจมันโปร่งโล่งเบามากขึ้นไม่มันงงๆแล้วตอนเนี้ยมันงงืงงๆรู้วงงรู้ปัจจุบันไปนะอย่าเรียนเยอะเรียนเยอะเรายิ่งงงกบกุลค่ะอ้าวต่อไปเชิญยกมือ เกือบเจสิบกลับในวัฒนการหลวงพ่อค่ะสงการมากครั้งล่าสุดรู้เขาก็เร็วแต่ว่าอยากจะมารายงานหลวงพ่อเพราะว่าเมื่อก่อนสงการนะคะเพราะว่าเท่าที่ทํามาประมาณปีกว่ารู้ว่าช่วงและสามสามอาทิตย์เนี่ยจะรู้รู้อะไรมากกว่าที่ทํามาปีนึงค่ะอืก็เลยหลังจากก็เลยเรียนหลวงพ่อก่อนว่าก็คือก็คือหนึ่งก็เลยเข้าใจแล้วว่ามันปิ๊งขึ้นมาค่ะเข้าใจแล้วว่า จิต ท, ที่ส่งออกนอกคือเราไปดูหรืออะไรทำให้เราทุกขจริงจริงคือมันเข้าใจอะค่ะหนึ่งแล้วก็คือทุกวันนี้ทำทสามอย่างค่ะคือดูในชีวิตประจำวันหนึ่งสองก็คือเดินจงกรมไม่ก็นั่งสมาธิแต่เดินจงกรมเนี่ยหนูจะชอบเปิดธรรมะของลูกโพสิมค่ะท่านก็เทพแล้วก็เดินไปค่ะสอ่านหนังสือของลูก หลูกบุมั่นะคะ่ะ<ม>ที่โยหนหลวงตามหาคุณ<ม>ท่านเขียนไว้ทีนี้มีอย่างนึงในขณะที่เดินจงกรมอะ่ะเป็นเราเราก็ปิ๊งขึ้นมาค่ะหนูงพอ่อว่าเออ่เราจะพยายามไม่ได้เลยมแม้ทําอะไรนิดนึงมันก็สนองกิเลส<ม>นิดนึงก็ไม่ได้อ่ะคะ่ะ<ม>แล้วก็มันเหมือนจะมันเหมือนความรู้เนี่ยมันเหมือนจะหนูมีความรู้สึกว่ามันมันที่สุดแล้วอะ่ะในความรู้สึกของหนูนะคะ มันเหมือนกับว่าเราจะรู้ว่านิดหนึ่งพยายามก็ไม่ได้เดินจงกรมพยายามให้รู้สึกตัวนิดหนึ่งก็ไม่ได้พยายามจะส่งจิตออกไปดูข้างนอกก็ไม่ได้เพราะมันก็คือการทําอำสนองกิเลสแล้วก็มันหนูเข้าใจแล้วไปอ่านหนังสือหลวงปู่มัน่นเป็นรวมลูกศิษย์อะค่ะมันก็ไปตรงกับข้อหนึ่งอะอะไรก็บริสุทธิ์เลยสักอย่างแต่หนูส่วนมันตรงกันค่ะแล้วก็เวลาเดินจงกรมอะค่ะหลวงพ่อมันจะ คือหนูยังไม่เข้าใจว่าสมมุติว่าเรามันเหมือนมันปิ้งขึ้นมาว่าสมมุติว่าปิ้งขึ้นมาว่าร่างกายนี้มันก็มันเหมือนมันเหมือนมันไม่มีอะไรอะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วเราจะไปพิจารณาต่อมั้ยถ้พิจารณาแล้วมันจะเป็นสมถติฐานไหมคะหรือว่าพอรู้แล้วมันก็หายไปคือใจขณะนี้เป็นยังไงมันตื่นเต้นแล้วมันก็ฟุ้งมันฟุ้งนะทำอะไรนะก็ผิดนะแต่ไม่ทําผิดมากกว่าตอนนี้ต้องอาศัยการทําไปก่อน อย่างนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยจงใจแล้วค่อยรู้เอาว่าจงใจแล้วก็ตามรู้ตามดูต่อไปอีกแต่ถ้าเวลาเราเดินจงกรมพอสุดทางจงกรมถ้าหนูจงใจคือหนูต้องส่งจิตออกไปก็ดูก่อนแล้วก็ให้มันชัดขึ้นนี่คือหนูหนูเข้าใจว่ามันคือจงใจหนูก็จะดูแบบเบอร์เบอร์ก็คือรู้แต่มันเบอร์เบอเอรู้ว่าเบอค่ะก็คือรู้แค่นั้นแต่ถึงใช้ได้เบลอแล้วรู้ว่าเบลอนะไม่ใช่ปล่อยให้มันเบอนะค่ะก็คือรู้ว่าเบอร์ถ้ารู้ว่ามันเบลอมันก็ชัดขึ้นมาเอง ใช่ใช่คื อ, อใช่ทีนี้เราถ้าถ้าเราถ้าเรารู้ว่ามันมีอะไรที่มันจุดคิ ด, ด ข, ขึ้นมาเนี่ยเราช่วยมันคิดได้ไหมคะือถ้าเราช่วยมันคิดสมมติว่ารู้ว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเราเลยอย่างเงี้ยแล้เราก็คิดต่อไ ด, ไ, ได้ได้ไดใช่ไหมคะได้คิดพิจารณาไปเลยคิดพิจนารณาไะมคะนะ<ด>คิดะคะไปเลยนะค่ะคิดพิจารณากายไหมแต่ให้รู้ว่าคิดเอรู้ว่ากําลังคิดอยู่แต่คิดจริงจริงไปคิดพิจารณากายให้เยอะๆเลยทําได้ แล้วสมาธิหนูก็ไม่ตีสมาธิหะใช่ไหมเพราะก็นู้กวันนี้วันที่หนูมันฟุ้งเลยวันนี้มันฟุ้งค่ะวันนี้ฟุ้งพราเพราะเวลาอะไรงานหลวงพ่อจะฟุ้งรู้เลยค่ะแต่ทําได้ใช่ไหมครับทำได้ทําได้ช่วยมันคิดหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจิตติดเฉยนะมันชักจะเฉยเฉยไปแล้วตอนนี้ใจมันภาวนาไปเรื่อยมันจะโล่งๆว่างๆมันจะไม่เดินปัญญาจริงละพิจารณากายเลย แล้วเท่าที่สามที่หนูรู้มานี่มันเป็นการที่เดินปัญญาจริงหรือเป็นการคิดครู้่ามันเดินปัญญาแต่ว่ารู้ระวงะังซะค่ะรู้แล้วทิ้งไปค่ะเบอร์เจ็ดบสามคุณค่ะไปทําสมาธิต่อนะแล้วพิจารณากายนะไม่งั้นมันจะไปอยู่ในโล่งว่างแล้วก็มีแต่ความสุขมันขี้เกียจกลาบนามัสการหลวงพ่อค่ะ มีวันหนึ่งที่หนูเดินจงกรมตอนก่อนนอนนะคะแล้วก็เดินไปเดินมารู้บ้างเผลอบ้างอะคะ่ะแล้วก็พอเดินกลับไปกลับมาอีกหลายรอบอะคะ่ะจิตก็เหมือนกับบอกว่าหลงไปหรือว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากันเพราะว่าไปเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะแล้วก็เวลาที่เราหลงไปข้างหน้าหรือว่าในอดีตเนี่ยคะ่ะ มันเหมือนกับว่ามีสัญญาจําไว้แล้วต่อมามันก็มีการปรุงแต่งขึ้นมาสรุปรวมแล้วว่าจิตชอบหรือไม่ชอบไปเจอบุคคลหรือว่าไปเจอสิ่งใดที่มากระทบให้เราไม่ชอบอะไรเงี้ยะมันก็จะปรุงเป็นช็อตๆแล้วมันจะแยกแๆ ก, กันออกมาค่ะว่าต่างคนต่างทำงานใองอย่างนะั้นค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าเดินจงกรมได้อย่างเป็นธรรมชาติคือวันสงการที่เขาเล่นสงการแล้วก็หนูเดินหลังบ้านเวลาที่เดินแล้วก็รู้เพลงบ้างรู้ที่เขาเล่นสัตน้ํากันบ้างอะไรยเงี้ยค่ะขณะหนึ่งที่เห็นเนี่ยมันเห เห็นแต่ว่าแค่เป็นสี <Yeah. S 2> แต่ว่าไม่รู้ว่าอะไร mm hmm. แต่พอแป๊บเดียวค่ะ mm hmm. ก็จําได้นั่นคือต้นไม้อะค่ะนั่นแหละสัญญามันปุดใช่หไหมค่ะแล้วก็ทุกก็ยังมีอยู่เรื่อยๆอ่ะงหัแต่ว่ารู้สึกว่ามันสั้นลงเ mm hmm. มื่อวานมีโทสะเกิดขึ้นแล้วก็พอจบช่วงนั้นแล้วก็มาอ่านหนังสือธรรมะปกติถ้ามีโทสะเนี่ยค่ะก็จะใจก็จะหวนคิดอยู่นั่นแาละค่ะว่า ไม่น่าจะมโมโหหรือว่าอะไรอย่างี้ค่ะแต่จิตมันก็บอกว่าขณะหนึ่งในปัจจุบันนี้เป็นขณะที่สำคัญที่สุดทำอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะหลูมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงไหมคะหลวงพ่อของกันบ้านอาจดูไปตามธรรมชาติน ะ, ะแต่ระวังอันหนึ่งจิตจะต้องถึงฐานด้วยนะจิตขณะนี้ถึงไหมขณะนี้ไม่ถึงนะคะตื่นเต้นนะอยู่บ้านถึงไหมอยู่บ้านน่าจะถึงนะคะ ถึงบ้างไม่ถึงบ้างอะฮะบางทีก็ส่งออกนอกอ๋อตอบถูกถ้าถ้าถึงตลอดเนี่ยผิดแน่ๆเลยแกลายเป็นเพ่งเนาะนะเบอร์สามกราบขอพระคุณอยู่ข้างหน้านี้ er บเบอร์สกราบขอโอกาสหลวงพ่อค่ะวันนี้มาส่งการบ้านค่ะทีแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูแยกธาตุขันค่ะปัจจุบันเห็นว่าธาตุขันทั้งห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเกิดดับตลอดเวลา แล้วก็เห็นว่ามันมันไม่แน่นอนแล้วก็จิตของเราเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์ค่ะแล้วก็ไม่ทิงความสงบนะการที่เราพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเป็นส่วนของการเดินปัญญาถึงเวลาเราทำในรูปแบบนะให้ใจได้สงบได้ใจได้พักผ่อนบ้างถ้าความสงบไม่พอเนี่ยเดินปัญญาไม่ได้จริงน ะ, ะใจใจมันเดินปัญญาได้ดีอยู่ อย่างนี้หนูเห็นจริงใช่ไหมคะเห็นจริงนะแต่สมาธิอ่อนไปหน่อยแนละ้วรู้สึกเปล่าค่ ะ, ะช่วงนี้ทําสมาธิไม่ค่อยได้เลยค่ะมันฟุ้งไปฟุ้งมากไปค่ะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะหลวงพ่ อ, อ, อปัจจุบันครอบครัวเนี่ยก็มากราบมาเรียนกับหลวงพ่อทั้งครอบครัวแล้วนะคะทีนี้เวลาช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเหมือนอย่างว่า ต่างคนต่างก็จะช่วยกันดูค่ะ<ม>คื อ, อต้องขออนุ ญ, ญาตนะคะต่างคนต่างว่าถล่มไปแล้วนะ<อ>วไปดูคนอื่นล่ะโกรธรู้เปล่าอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันแบบเป็นไ<บ>ปนหมดเลยค่ะบอกสิบอกว่าหลวงพ่อสั่งมานะว่าให้ดูตัวเอง <c oughs> <c oughs> ไปเห็นกิเลสคนอื่นเพิ่มกิเลสของเราค่ะ ให้ดูของเราเองนด้ส่วนมากไปดูอย่างนี้แล้วไปรับกันเรืนะ่อแล้วก็เขารู้ตัวเขารู้ตัวค่ ะ, ะนี่ไม่ทราบพูดมานี่เขาจะโกรธหรือเปล่า <laughs> เขาเขารู้ตัวเป็นแล้วกลรธเขาคงรู้หรอกค่ะ <laughs> ให้ดูตัวเองนะคะนะให้ดูตัวเองนะ ถ, ถ้าดูคนอื่นเนี่ยกิเลสจะเพิ่มดูตัวเองกิเลสจะลดะให้ดูตัวเองไหมกรรมฐานไม่ได้เรียนเพื่อไปจับผิดคนอื่น เ<น>รียนเพื่อจะมาขัดเกลารตัวเองเกือบสิบเก <19 S 2> ้าโกรธแน่ครา บ, รบนมัสการหลวงพ่อค่ะ โยมเคยมากราบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อแนะนำว่าให้เดินจงกรมมากๆแล้วก็ให้คิดว่าถวายเดินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะช่วงก่อนก็คิดว่าใจตั้งมั่นมากขึ้นแล้วก็เห็นได้ในบางขณะที่ว่าตัวเราไม่มีแต่ช่วงหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นทุกบ่อยแล้วก็ใจไม่เป็นกลางอีกนะอให้รู้ทันไปแล้วก็เดินไปค่ะนะใช้ได้แล้วก็ดูตามปัจจุบันเมื่อสามสกับมาสักา ร, รับหลวงพ่อ ก็มาส่งกันบานครับครั้งที่แล้วให้ไปดูจิตเพอไปคิดครับก็เพ่งน้อยลงครับก็จิตเบาขึ้น อ, อันนี้ก็มาให้หลวงพ่อตรวจกันบานแบบนี้ีแล้วละ <ๆ S 2> ต้องไปทำอีกนะทำไปเรื่อยใช้ได้หนึ่งหนึ่งห้าการำมัศการหลวงพ่อค่ะคือหนูมีนั่งสมาธิค่ะแล้วก็มันจะไปเห็นอาการของจิตที่เข้าไปจับยึด ดังนี้เถอหลวงพ่อแก่แล้วมันตื่หนูมีอยู่วันหนึ่งหนูนั่งสมาธินะคะแล้วหนูไปเห็นาการของจิตที่เข้าไปจับยึดเอคราวนี้มันก็ไปจับจับนั้นทีจับนี้ทีคือมันเห็นแล้วเราก็รู้ว่าเหมือนกับเหมือนกับปฏดการได้เรียนรู้คือทุกที่ฟังซีดีแล้วก็ไม่เข้าก็ฟังแล้วเหมือนกับผ่านไปแต่คราวนี้มันเหมือนกับมันเห็นแล้วมันเข้าใจเลยว่าอาการที่จิตมันเข้าไปยึดยึดแล้วที่ว่าเป็นทุกข์เป็นเพราะอย่างนี้ใช่ค่ะนะให้ดูไปนะเห็นไหมมันเข้าไปยึดเอง ไ<ห>ม่ <he en S 2> เข้าไป <คะ S 2> จับได้เองใช่ค่ะเห็นถ้ามันจับได้เอง <นะ S 2> คดูอย่างนั้นแหละคะดูอย่างเป็นกลางนะไม่ใช่ดูเพื่อไม่ให้มันเข้าไปจับดูแค่ว่ามันเข้าไปจับแล้วก็รู้ว่ามันจับค่ะนะไม่บังคับนะแล้วครนี้วิหารธรรมของหนูอะ่ะดูจิตได้แล้วนี่ดูไปค่ะคือหนูคือแต่บางช่วงนะคะบางช่วงที่ที่มันสับสนหรือว่ามันหนูว่าหนูพุทโธก็ยังไม่ค่อยจะ พื้พุทโธหรืบางทีมันก็เผิ่ไปง่ายเหมือนกันหรือบางทีกลับมาดูลมหายใจครานนี้หนูก็เลยไม่มั่นใจว่าระหว่าง2อย่างนี้หนูควรจะอะไรก็ได้คือถ้าใจเราฟุ้งซ่านนะเราทํากรรมฐานที่เราถนัดะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้สมาธิก่อนไม่ใช่เดินปัญญาพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ค่อยมาดูเขาทํางานไม่ไปเพ่งให้เขานิ่งแต่ช่วงนี้หนูเดินปัญญาได้แล้วใช่ไหมได้อยู่ที่เดินอยู่นี้มันเดินปัญญาอยู่นะจนสมาธิเริ่มจะอ่อนไปแล้ว เอให้กลับมาทำสมาธิทำสมาธินะ <c oughs> ใจ <c oughs> มันฟุ้งไปแล้วรู้สึกไหมชักจะไม่มีแรงเท่าไหรค่ะขอบพระคุณร <c oughs> <199. S 2> ้อนมัสการเจ้าค่ะเออช่วงสามอาทิตย์นี้หนูเร่งความเพียรมากไปเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิมันมีความรู้สึกว่าทําให้เราได้นั่งนานขึ้นอ <c oughs> แล้วพอเดินไปได้สักสองอาทิตย์แล้วก็มีการขยับมือด้วยนะคะพอไปได้สักสองอาทิตย์มันก็เกิดแน่นแล้วก็มารู้ตัวเองแล้วก็เพื่อนนะคะกรยานมิตร เขาแนะนํานะคะว่าเราเนี่ยไปเพ่งกัมมันมากเกินไปแล้วมันก็เลยคลายๆออกค่ะดีแล้วล่ะต้อง <c oughs> คอยรู้ทันเอาแต่ว่าถ้าหนูไม่ทําอย่างนั้นมันก็จะทําให้พอนั่งสมาธิแล้วมันจะหลับหรือไม่ก็ฟุ้งไปเยอะเลยะคะ่ะหลวงพ่อก็ยามเคลื่อนไหวแม่สินะ <c oughs> เคลื่อนไหวไปเดินจงกลมอะไรเงี้ยแล้วใจวิ่งไปเรารู้ใจวิ่งไปเรารู้ไม่ใช่เดินบังคับนะถ้าแต่บังคับมันจะนิ่งไป ให้เดินแล้วรู้ทันเอาเดินไปแล้วใจหนีไปคิดแล้วรู้เดินแล้วใจไหลมาเพ่งในร่างกายก็รู้เดินแล้วใจไปทําอะไรก็ค่อยรู้รู้สบายๆไม่ต้องรู้ตลอดเวลาถ้ากะว่าจะรู้ไม่ให้คลาดสายตาจะกลายเป็นการไปเพ่งไปจ้องไว้ดนะูสบายๆเอาเถามาด้วยเรือเถาตรงกันบ้านค่ะกลาบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ให้โอกาสค่ะ เขามาทุกครั้งเนี่ยเขาอยากส่งกันบ้านทุกครั้งเลยเจ้าค่ะตอนนี้ก็ยังอยากอยู่เจ้าค่ะแล้วก็ทำไมไม่เห็นยกมือเลยก็ดูความอยากไปเลยเจ้าค่ะก็ดูตลอดเลยก็ดีเนาะก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันฟุ้งซ่านแต่เราก็จะรู้ค่ะทำในรูปแบบไหมทำแต่ช่วงนี้น้อยเจ้าค่ะจะฟุ้งไปกับ เหตุการณ์บ้างเหมือนกันจงค่ะช่างเป็นตัวเหตุการณ์นะมันอยู่ข้างบ้านเราป่ะไม่ค่ะไก่เออจะเป็นเวลาขับรถจะต้องผ่านจงค่ะแต่ก็พยายามที่จะถ้ามีเวลาก็จะพยายามทําลุกแบบจาค่ะเวลาขับรถผ่านแล้วก็ภาวนานะเจริญมรณสติไปปลอดภัยที่สุดจงค่ะเห็นไหมชีวิตเป็นของไม่แน่นอนใช่จงค่ะพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจงค่ะ อย่างน้อยเนี่ยเห็นไหมไม่ขัดทุนแล้วได้สมาถะมาแล้วเขามองว่ามันมีความสงบมากขึ้นอืจิตเขารู้สึกว่าไม่บางครั้งนี้จะไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราไปอยู่ในงานหรือว่าไปอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยแต่ตอนเนี้สงบแบบซึมมากไปนิดนึงขณะเนี้นะดูออกไหมเพราะว่ามันประคองเออมันประคองนะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไป ะะแล้วเวลาขับรถผ่านก็พิจารณาความตายไว้ร้อยสิบหกแม้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราวไว้เยอะแยะนะใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยโอ้วันนี้พระเยอะมากการสมัสการกับหลวงพ่อส่งกันบ้านรอบสามเดือนแล้ววันนี้เป็นวันครบสองปีที่มาที่วัด น, นี้นะครับหอมเมือ่อวานนี้มาจุดประสงค์ต้องการบอกเป็นพยานว่าในสองปีที่ผ่านมา ผมมีฝึไกไปแล้วเห็นมีทางออกกับชีวิตมากขึ้นอะะไรนะมีทางออกกับชีวิตก็คือเห็นความทุกข์สั้นลงขี้เล็มากขึ้นตติไวขึ้นนะครับแต่ก็ไม่สามารถขอจะไปบังคับได้บังคับไม่ได้ครับผมถ้าขอโอกาสที่จ ะ, ะรยายงานสปาวัจิตุต์นะขณะนี้นะครับสิทขณะ น, น, น, นี้มุ่งตรงไปที่หลวงพ่อครับถูกแล้วก็เหมือนตอนนี้หนีเกิดคิดแล้วเห็นไหมไม่ได้มาที่หลวงพ่อทีเดียวฉลาดไปด้วยครับหลวงพ่อเหมือนจะถึงฐานแต่ไม่ถึงฐานอื ถูกครับมีปิติเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะดีนะรู้อย่างที่เขาเป็นนะและจะเห็นเลยปิติก็ชั่วคราวเห็นไหมตอนนี้ปิติลดละวครับลดลงเนะี่ยเราดูทุกอย่างนะมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดแล้วหายไปครับการที่เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนานไปเนี่ยจิตจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะตัวตนที่ถาวรเนี่ยไม่มีอย่างเนี้ยจะเข้าใจธรรมะนะดีมันก็พอค่อยดูนะจิตมันไม่เข้าฐานดูออกไหม ออครับนะจิตมันกระจายออกนอกหรือว่าออกนอกครับนะร้อยนมันส ก, กาหลวงพ่อค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีโทสะเยอะแล้วก็บางทีมันก็สลั บ, บเลี้ยงเด็กมันก็ต้องโทสะเยอะเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันพอมีโทสะแล้วพอเรารู้อะค่ะมันไม่เป็นการเท่าไหร่ไม่กดมไม่กดก็ไหลประมาณนั้นนะคะไม่ตั้งมัน่นแล้วก็ ไม่ชอบกูกุจศะด้วยมั้งคะเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนไม่สงบฟุ้งมั้งรู้อย่างที่เขาเป็นนะแล้วเราดูไปทุกอย่างเนี่ยเราบังคับไม่ได้รู้สึกไหมมันบังคับไม่ได้มันจะไม่สงบเพรห้ามไม่ได้นะจะไหลเพาห้ามไม่ได้มีแต่เรื่องห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ตัวอย่างนี้เรื่อยๆไปรู้สึกว่าเหมือนอยากดีอยากจะดีอยากดีนะมันอยากไม่ได้อยากดีรู้ว่าอยากดีไปค่ะ มันไม่ได้ดีเพราะอยากหรอกมันดีเพราะรู้ทันว่าอยากหก <62. S 2> สิบสองมัทการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครับเอ่อแวะแวปฏิบัติอะครับก็สภาวะเห็นเห็นมันเคลื่อนไปขึ้ื่อนมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจิตตั้งมั่นหรือเปล่าครับอืตามสภาวะหลงไปหรือเปล่าครับเราต้องซ้อมดูนะ อย่าเราหัดร บ, บริกรรมพุทโธพุทโธแล้วจิตไหลไปเรารู้ไหลไปคิดเรารู้ตอนนี้จิตไหลไปคิดเห็นไหมเห็นแต่ถ้าเราเห็นจิตที่ไหลไปได้นะมันจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมานแต่ถ้ามันไหลไปแล้วเราไม่เห็นนมันก็ไหลไปเรื่อยๆอย่างขณะนี้ไหลแล้รู้สึกไหมเหมือนเมื่อกี้ป่ะครับใช่นะมันก็ค่อยไหลทั้งวันเลยแล้วไงล่ะ คือสงสัยเรื่องอ า, อารมณ์รูปนามกับอารมณ์บัญญัต่ะครับอารมณ์บัญญัติก็คือเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมานะเช่นคนนี้ชื่อนี้นี่นี่อันอย่าง น, น, นี้เรื่องบัญญัติครับหรือคิดว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่แต่ต้องรู้รู้ทันตามตามที่นึกขึ้นมาใช่บัญญัติเราก็ต้องรู้นะเราไม่ปฏิเสธสมมุติบัญญัตินะเพราะาเราอยู่กับโลกก็ต้องอาศัยสมมุติบัญญัตินั่นแหละแต่ว่าในขนาดเดียวกันเราไม่ได้หลงตามที่โลกเขาหลงกัน เรารู้ว่าเนี่ยเป็นแค่สมมุติบัญญัติเราก็มารู้ตัวจริงคือรู้กายรู้ใจของเราด้วยไม่ได้ปฏิเสธสมมุตินะต้องอาศัยสมมุติแหละสี่สิบสามคนสุดท้ายนมัตการหลวงพ่อค่ะคือเพิ่งมาเป็นครั้งแรกอะค่ะิเหมือ น, นเดิมไหมไม่เหมือนเดิมตื่นเต้นไม่เหมือนเนาะค่ะน ะ, ะนะมันใจมันค่อยๆว่าไป เวลาจะรีบๆแล้วอาวาไปอ๋อค่ะคือก็ตื่นเต้นนะคะก็คือเคยฟังซีดีหลวงพ่อมาก่อนนะะเออนาะค่ะก็ยัง เ, เก่งไหมใจเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้มากขึ้นแล้วละ่ะมันรู้ตัวนะยังไม่ค่อยรู้ตัวหรอคะ่ะฮะยังไม่ค่อยรู้ตัวหรอคะ่ะให้นานๆได้รู้ทีหนึ่งก็บุดแล้วค่ะ ร, รู้สึกเปล่ใจเราไม่เหมือนแต่ก่อนละเมื่อก่อนเราหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาน ะ, ะแตนเนี้ยมันแค่ๆเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมานะ ใจมันจะโปร่งโล่งเบาขึ้นดูออกไหมตัวเนี้ค่ ะ, ะคือตอนนี้หนูยังลังเลอยู่ค่ะว่าภาวะจิตของหนูเนี่ยควรจะดูกายหรือว่าดูจิตดีอะค่ะเห็นอะไรก็ดูอันนั้นแหละเพราะกาก็สอนไตรลักษณ์จิตก็สอนไตรลักษณ์นะภาวนาไม่ได้ดวนเดียวหรอกอืมค่ะพยักหน้ารู้สึกไหมรู้สึกค่ะเออคอยรู้สึกเอานะอ๋อค่ ะ, ค, ะคือแล้วก่อนหน้านี้ จะเดินจงกรมมาอยู่ช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ยุ่งๆอะค่ะแต่ว่าสังเกตว่าช่วงที่เดินจงกรมทุกวันเนี่ยค่ะคือจิตจะเหมือนจะเห็นตัวเองมากขึ้นนะคะใช่แต่เงินควรเดินนะคือคือตอนนี้แปลว่าไม่ค่อยได้เดินนี่แปลว่าตอนนี้กําลังมันอ่อนลงแต่ไม่น้อยลงใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเดินแล้วรู้สึกตัวได้เยอะเห็นสภาวะได้เยอะเราก็ต้องเดินเอานะอดทนเอาเดินเดินไปยังมีแรงเดินค่ะเหลืวแก่แล้วเดินไม่ไหวก็อยากจะเดินอีกเนี่ยนะ แล้วจะถามเรื่องศีลหน่อย啊ค่ะเพราะว่าเรื่องศีลห้าค่ะหนูกําลังคิดไม่แน่ใจว่าจะบกพร่องเรื่องศีลข้อสีหรือเปล่าเพราะที่ชอบพูดเล่นออําเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คือสมมติว่าอําเล่นเล่นถึงไม่ใช่เป็นความจริงแต่ว่าเราเป็นอําเล่นเล่นอี้ก็ถือว่าผิดศีลใช่ไหมคะก็แค่ด่างพร้อยด่างพร้อยใช่ไหมแล้วอย่างนี้จะทําให้จิตมันขุนมัวแล้วก็จิตไม่นขนมอืมค่ะดังนั้นจิตเป็นขนมก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ แต่มันก็ต้องมีชั้นเชิงนะอย่างบางช่วงเครียดต้องไปคุยเล่นบ้างยอมหน่อยอให้จิตใจผ่อนคลายแล้วค่อยมากลับมาเจริญสติอย่างนั้นใช้ได้นะเรียกว่าเป็นเป็นอูบายนะแต่ถ้าคุยเล่นทั้งวันนี้ก็ฟุ้งซ่านนะอ้อคนนี้ชอบอัมเหรอ <c oughs> ผู้หญิงแต่กนะ่อนนะอัมเก่ง <c oughs> เขาเรียกอัมแดง <c oughs> แสดงวาอทุกคนเลยเรื่องอาแดงนะเชิญกลับบ้าน